เป็นเท่าทุกบรรลุซึง่งซึ่งปัญญาในสันสนีสนธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วเวลาของรายการสันนีสนธนานะคะซึ่งตั้งแต่เวลาตีห้ถึงตีหครึ่งโดยประมาณทางสถานีวิทยุสทอทีเอสเวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้เราก็จะมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่เป็นสิริมงคลยิ่งกับพวกเราชาวพุทธเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่ามีวันสําคัญของทางพุทธศาสนาถึง2วันคือวันอาสาฬหาบูชากับวันเข้าพรรษาจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงเข้าพรรษานี่ต้องบอกว่าไม่ใช่นับแค่1วันเพราะว่าเป็นเทศกาลเป็นการเริ่มต้นของการที่จะเข้าเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งจะมีต่อเนื่องกันไป อีกสเดือนเชื่อว่าหลายท่านนะคะคงจะได้มีโอกาสที่จะไปปฏิบัติตัวเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไปทําบุญไปประกอบกิจการที่เป็นมงคลหรือว่ามีการเริ่มในสิ่งที่จะเป็นมงคลกับชีวิตซึ่งนิยมกันมากนะคะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถ้ามากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของการที่จะงดของมืนเมา เช่นงดดื่มเหล้าเป็นต้นแล้วยิ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่องค์กรซึ่งเขาเรียกร้องกันให้มีการงดเหล้าในเทศกาลข้าพรรษา<ๆ>ก็บอกว่าขอมาหลายรัฐบาลแล้วมาประสบความสำเร็จในรัฐบาลนี้คือการประกาศให้วันเข้าพรรษาเนะี่ยเป็นวันงดดื่มสุรานะคะแล้วหลายคนก็บอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีถึงแม้ว่าจะมีบางคนบอกเอ๊ะทไมลดแค่วันเดียวแต่คนที่มองในแง่ดีก็บอกว่า การที่เริ่มต้นอย่างนี้บางคนก็อาจจะงดไปตลอดทั้งพรรษาพองดไปตลอดทั้งพรรษาและพบข้อดีของการไม่ดื่มเหล้าซึ่งคนที่เขาคิดละเอียดเนี่ยนะคะบอกว่าเกิดประโยชน์ตั้งหลาย1ิอย่างเนี่ยก็อาจจะเลิกที่จะดื่มกันไปตลอดทั้งชีวิตเลยก็เป็นไปได้เดี๋ยวในวันนี้ช่วงถามโลกตอบธรรมโดยพระอาจารย์ครกริตนะคะที่ฉันก็จะกลับเรียนถามท่าน ว่าบรรยากาศของที่วัดนาป่าพงศ์ในช่วงเทศกาลอาสาหะบูชากับเข้าพรรษานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะได้ให้ท่านฟังที่ฟังรายการอยู่นั้นได้เห็นภาพว่าที่วัดวัดหนึ่งซึ่งมีพระอาจารย์มาสนทนาธรรมอยู่ในรายการนี้เป็นประจําแล้วท่านยังไม่เคยไปที่วัดสัทะีนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าสําหรับช่วงเวลาของเราในวันนี้เรนเองอยากจะเริ่มต้นด้วยหนังสือดีๆที่ คุณกบนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของสถานีวิทยุ FM 6, ร้อสทรวิทยุครอบครัวข่าวแห่งนี้ได้มอบเอาไว้ให้เป็นหนังสือชื่อเพียนสร้างกำลังใจแล้วก็มีหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุค ป, ปัจจุบันนี้นะคะก็คือการเพียนสร้างกำลังใจในห้วงเวลาที่เรากําลังลําบากลําบนกับการที่เข้าของแพงเงินในกระเป๋ามันก็ได้เท่าเดิมแต่มีมูลค่า น้อยกว่าเดิมแล้วก็ดูเหมือนกับหลายคนวิตกกังวลมองไปข้างหน้านะคะว่าเอเราจะอยู่กันได้ปกติหรือเปล่าต่อไปเพราะก็ดูเหมือนแนวโน้มปัญหานะั้นมันไม่ใช่เกิดแค่ในบ้านเรานะคะปัญหามาจากต่างประเทศแล้วก็เกินกว่าที่เราจะไปเอื้อมมือจัดการเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของน้ำมันแล้วก็ยังเป็นปัญหาของเศร ษ, ษฐกิจนะคะสินเชื่อ ที่ในประเทศยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกาที่เขาเรียกกันว่าซับไพรม์อีกด้วยค่ะก็เลยจะฝากไว้ในส่วนของเพียงสร้างกําลังใจด้วยถ้อยคําดีๆที่เขียนโดยคุณปริยาภากับคุณเกวลินและคุณอัญชโนบคุณกบแห่งสถานีวิทยุสทอทร์เ6ครอบครัวข่าวแห่งนี้ได้ฝากเอาไว้ให้นะคะว่าเริ่มต้นอดออมโดยการเก็บเงินที่ได้มาอย่างน้อย 20% เปซ็นต์เป็นตายร้ยดีไม่นําออกมาใช้ทําบัญชีค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นจริงๆไม่ต้องซื้อของใหม่เอาเพียงแค่ปัจจัยสีก็พอแล้วตั้งเวลาสำหรับความอดทนมุ่งมั่นทำงานให้ดีกว่าเดิมก้าวหน้ากว่าเดิมมีรายได้มากกว่าเดิมทำงานหนักกว่าเดิมคนที่ไม่เคยทำงานเกินกว่าค่าจ้างก็อย่าหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนมากไปกว่าผลงานที่ออกมานั้นหาได้มากเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าไม่รู้จักพอหาได้น้อยอย่างเพียงพอถ้ารู้ประมาณตน เปลี่ยนนิสัยเส้นใหม่ปัญหาเรื่องเงินมาจากนิสัยของเราเองบางคนอาจจะเถียงนะคะว่าแม้วันนี้ก็เพิ่งพูดเมื่อกี้นี่เองว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากเราแต่ดิฉันเชื่อนะคะว่ามันไม่เหนือจากการควบคุมของตัวเองแล้วก็ที่อยากจะบอกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการปรับตัวการปรับตัวในช่วงเวลานี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งบางเอิอดิฉันไม่ได้หยิบยกเอาพระราชด âm รัส แท้ๆของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ดิฉันบังเอิญนึกถึงได้ในขณะนี้นะคะแต่ว่าความหมายของพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ดีเป็นอย่างยิ่งคือกระทรงพูดถึงว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยความประหยัดเป็นเรื่องที่จําเป็นแต่ก็ต้องใช้จ่ายในส่วนที่จะทําให้เราได้มีความสุขอย่างชนิดที่ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคะคือเหมือนกับว่าประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวอะค่ะ คือประหยัดแบบมีสตินะคะเพราะว่าในรายการนี้เราก็จะเน้นเรื่องของการมีสติอยู่เสมอเรากลัวอะไรกันในทุกวันนี้บางคนยังไม่ทันไปไหนเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บกลัวแล้วเดี๋ยวจะเจอไอ้น่นเดี๋ยวจะเจอไอ้นี่วันนี้ในช่วงถามโลกตอบธรรมกับพระอาจารย์คึกฤทิ์นะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความกลัวดิฉันเองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่อ่านคอลัมน์คาบลูกคาบดอก ของคุณหมัดเหล็กเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในหัวข้อว่าความกลัวทำให้เสื่อมอ่านและมีความรู้สึกว่าเกิดความสงสัยว่าจริงหรือไม่อย่างนั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้อยู่ด้วยเหมือนกันว่า กลัวว่าไอ้เส้นเดือนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นสารเสรื่นตัดสินอะไรแล้วมันจะมีผลในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าบางคนก็กลัวนะคะว่าเอ๊จะเกิดน้ํามันมันแพงกว่า น, นี้จะเป็นอย่างไรในทางธรรมนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะมีทางออกให้หรือไม่เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงนั้นนะคะสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึงซ่งซึ่งปัญญาใน เสน่สนทนา